วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสิ่งเหนือสามัญวิสัยเท่าที่บรรยายมาอย่างยืดยาวในเรื่องนี้ก็เพียงเพื่อให้เห็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องสมควรต่อสิ่งเหนือสามัญวิสัยโดยไม่ขัดกับหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งมุ่งให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตของบุคคลและแก่สังคมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่า วิธีปฏิบัติต่อเทวดาและอิทธิปาฏิหาริย์ตลอดจนมงคลฤทธิต่างๆเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากอย่างใดถ้าเราประพฤติถูกต้องตามธรรมอยู่แล้วก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติเมื่อเราอยู่ในสังคมนี้ก็ย่อมได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเทวดาบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างอิทธิฤทธิ์บ้างบางครั้งเราก็ระแวงว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงหรือว่าไม่มีจริง ถ้ามีจะทำอย่างไรเป็นต้นพึงมั่นใจตนและเลิกกังวลฟุ้งซ่านอย่างนั้นเสียและดำเนินวิธีปฏิบัติที่ไม่ผิดทุกกรณีซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติสำเร็จได้ที่ในใจนี้เองคือสำหรับเทวดาเราพึงมีท่าทีแห่งเมตตาทำใจให้อ่อนโยนต่อสรรพสัตว์ตั้งจิตปรารถนาดี หวังให้สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเทวดาด้วยที่เป็นเพื่อนร่วมโลกทั้งปวงต่างอยู่เป็นสุขเขารกความดีของกันและกันและในสังคมนี้เราคงต้องพบกับคนทั้งสองประเภทคือผู้ที่ฝากใยหมกมุน่นหวังพึ่งเทวดาและผู้ที่ไม่เชื่อถือมีจิตกระด้างรึงเครียดเหยียดยามทั้งต่อเทวดาและผู้นับถือเทวดาต่างวิวาทขัดแย้งกัน เรามีโอกาสก็พึงชักจูงคนทั้งสองพวกนั้นให้มาอยู่ณจุดกลางที่พอดีคือความมีจิตเมตตาอ่อนโยนต่อเทวดาและต่อกันและกันพร้อมนั้นในด้านกิจหน้าที่ของตนเราพึงกระทําด้วยความเพียรพยายามเต็มความสามารถไปตามเหตุผลถ้ายังห่วงการช่วยเหลือของเทพเจ้าก็พึงวางจิตว่าถ้าความดีของเราเพียงพอ และเทพเจ้าที่ดีงามมีน้ำใจสุจริตมีอยู่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเทพเจ้าเหล่านั้นท่านจะพิจารณาตัดสินใจเองส่วนตัวเรานั้นจะตั้งจิตมั่นเพียรพยายามทำกิจของตนไปจนสุดกำลังสติปัญญาความสามารถและจะฝึกฝนตนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทั้งในทางปัญญาและคุณธรรมจนข้ามพ้นเข้าสู่พัฒนาการขั้นที่สามซึ่งเป็นอิสระ และสมควรเป็นที่เคารพบูชาของเทวดาได้ที่ว่านี้มีใช่หมายความว่าจะให้ตั้งใจประพฤติดีเพื่อให้เทวดาเคารพบูชาหรือให้กระด้างกระเดืองต่อเทวดาซึ่งจะกลายเป็นมานะอาหางการไปแต่หมายความว่าเราทำความดีของเราไปตามเหตุผลของเราเป็นเรื่องของเทวดาเขาเคารพเองเพราะเทวดานั้น มีความดีที่จะเคารพความดีของคนดีส่วนเรื่องอิทธิปาฏิหารและสิ่งมงคลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็พึงปฏิบัติอย่างเดียวกันเปลี่ยนแต่เพียงท่าทีแห่งเมตตามาเป็นท่าทีแห่งความมีพลังจิตสร้างฤทธิ์และมงคลให้เกิดมีเป็นของตนเองฤทิ์ที่ควรสร้างได้ตั้งแต่เบื้องต้นก็คือ ความเพียพยายามบากบั่นเข้มแข็งพร้อมทั้งความหนักแน่นในเหตุผลซึ่งเป็นแรงบันดาลความสาเร็จแห่งกิจหน้าที่มงคลก็คือคุณธรรมและความสามารถต่างๆที่ได้ปลูกฝังสร้างขึ้นอันเสริมส่งและคุ้มนำชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญและความเกษมสวัสดีดูเรื่องนี้ได้จากมงคลลสูตรพระไตรปิฎกเล่มห้า ทางด้านพระภิกษุผู้สัมพันธ์กับประชาชนในฐานะผู้นำทางจิตใจเมื่อจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้พึงเตรียมใจระมัดระวังถือเหมือนดังเข้าระจนภัยโดยไม่ประมาทสำหรับผู้เก่งกาจทางอนุศาสนีก็ไม่สู้กไรอาจอาศัยความเชี่ยวชาญในเชิงสอนนำชาวบ้านก้าวสู่พัฒนาการขั้นสูงสูงได้โดยรวดเร็วแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้าง เพราะบางท่านสามารถใช้อนุสาสนีทำให้คนเลิกเชื่อถือสิ่งที่เขาเคยยึดถืออยู่เดิมได้แต่หยุดแค่นั้นหรือไม่อาจชี้แ น, นะให้เขาเกิดปัญญามองเห็นทางถูกต้องที่จะเดินต่อไปทำให้ชาวบ้านมีอาการอย่างที่ว่าศรัทธาก็หมดปัญญาก็ไม่มีตกอยู่ในภาวะเคว้งคว้างเป็นอันตรายทั้งแก่ชีวิตของเขาเองและแก่สังคม ส่วนท่านที่ไม่ถนัดในเชิงสอนเช่นนั้นและจะเข้าไปใช้สิ่งที่เขายึดอยู่เป็นจุดเริ่มต้นมีข้อที่จะต้องตระหนักมั่นไว้ในใจหลายอย่างสำหรับอิทธิปาฏิหารเป็นอันตัดไปได้เพราะมีพุทธบัญญัติห้ามไว้แล้วไม่ให้ประสงค์แสดงแก่ชาวบ้านคงเหลืออยู่แต่มงคลหรือสิ่งที่จะให้เกิดมงคล สภาพปัญหาอย่างหนึ่งในปัจจุบันก็คือพระที่เก่งทางอนุสาสนีก็มักไม่เอื้อเฟื่อเอ็นดูแก่พระพวกอื่นที่ยังอาศัยสิ่งจูงล่อฝ่ายพระพวกอื่นนั้นก็มักไม่ใส่ใจในอนุสาสนีชนิดออกสู่ความเป็นอิสระออกจากกิเลสบ้างเสเลยหรือไม่ก็หมัวเพลินหมุนวนอยู่ที่เดิมอย่างเดียวไม่ยอมเดินหน้าสำหรับพวกที่เห็นแก่ลาบ ไม่ต้องพูดถึงเมื่อเป็นเช่นนี้จุดประจบประสารจึงไม่มีพาให้ชาวบ้านสับสนหรือถึงกับแตกสามะคีดูถูกยามเหยียดและคึงเคียดต่อกันเบื้องแรกที่สุดจะต้องกำหนดแนวแน่เป็นเรื่องป้องกันตัวไว้ก่อนว่าจะต้องไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือเลี้ยงชีวิตสแสวงหาลาบซึ่งเป็นมิจฉาชีพ และเป็นความบกพร่องเสียหายในด้านศีลต่อจากนั้นมีข้อเตือนสํานึกในทางปฏิบัติโดยตรงคือต้องระลึกไว้เสมอว่าข้อที่หนึ่งการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อช่วยประชาชนให้เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นเช่นเกี่ยวข้องกับริสเพื่อช่วยให้เขาเป็นอิสระจากริส จากนั้นเพื่อความเป็นอิสระตามข้อที่หนึ่งนี้ข้อที่สองจึงตามมาว่าเมื่อเริ่มจุดตั้งต้นณที่ใดจะต้องพาข้อเดินหน้าจากจุดนั้นเรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดหมายคือความเป็นอิสระจะถอยหลังไปจากจุดนั้นอีกไม่ได้แล้วตามนัยยะข้อที่สองนี้จะปรากฏผลในทางปฏิบัติว่า ความฝักไฝ่หมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้จะต้องลดลงหรืออย่างน้อยไม่เพิ่มมากขึ้นหรือกำหนดออกไปอีกเป็นท่าทีของการปฏิบัติได้ว่าจะไม่ส่งเสริมความฝักไฝ่หมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้ให้แพร่หลายขยายตัวจะมีแต่การควบคุมให้อยู่ในขอบเขตและการทำให้ลดน้อยลงคือเปลี่ยนขั้นพัฒนาการเข้าสู่ขั้นที่สองให้หมด นอกจากนี้คนพยายามเน้นให้ปฏิบัติตามพุท ธ, ธานุญาตที่ว่าทำต่อเมื่อเขาขอซึ่งจะเป็นการกระชับขอบเขตให้รัดตัวเข้ามาอีกข้อที่สามซึ่งไม่อาจลืมได้คือต้องให้อนุษาสนีชนิดนำออกเสมอคือนำออกจากกิเลสออกจากวัตตะออกสู่ความเป็นอิสระในเมื่อได้โอกาส เัืท่ทางเร่งรัดและกำกับให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายทางด้านประชาชนที่กำลังพัฒนาข้ามจากขั้นที่หนึ่งสู่ขั้นที่สองการผ่อนปรนหรือโอนอ่อนผ่อนตามจะมีได้อย่างมากที่สุดก็เพียงเท่าที่อยู่ในขอบเขตซึ่งหนึ่งไม่เป็นการอ้อนวอนหวังพึ่งอำนาจดนบันดาลจากภายนอก เป็นหลักพึ่งตนและความเป็นอิสระ 2. ไม่เป็นเหตุให้หมกมุ่นหลงไหลหรือจะมัวรีรอไม่ลงมือทาเป็นหลักทำการด้วยความเพียรตามเหตุผลปฏิบัติถูกต้อง คือเดินหน้าเป็นชาวพุทธคือไม่หยุดพัฒนาจากความผ่อนปรนนี้ความสัมพันธ์และวิธีปฏิบัติเท่าที่พอจะเป็นไปได้จึงมีดังนี้ประการแรกเกี่ยวข้องกับอิทธิปาฏิหารตลอดถึงสิ่งมงคลได้โดยพยายามทำสิ่งเหล่านี้ในความหมายใหม่ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เช่นธรรมริตอริยริตและมงคลที่เกิดจากการประพฤติธรรมเป็นต้นแต่ก็ยอมผ่อนลงไปอีกอย่างมากที่สุดจนถึงยอมไม่เกี่ยวข้องกับมงคลตามแบบของชาวบ้านได้เฉพาะในแง่ที่เป็นเครื่องเสริมกำลังใจคือเสริมในทางที่ดีงามไม่ใช่ฮึกเหิมที่จะทำการชั่วร้ายและเสริมความเพียรพยายามให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยย้ำว่าจะต้องไม่เป็นเครื่องนวงเหนียว หรือลดถอนความเพียรพยายามทำการตามเหตุผลเป็นอันขาดประการที่สองสัมพันธ์กับเทพเจ้าทั้งหลายโดวยวิธีอยู่ร่วมกันซึ่งเกือบจะเท่ากับต่างคนต่างอยู่ด้วยเมตตาเกือ้อกูลกันด้วยไมตรีผ่อนลงไปอย่างมากที่สุดจนถึงยอมรับการทำเทวตาพลี อของถวายแกเทวดาหรือแผ่บุญอุทิศแกเทวดาในความหมายว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรืออุปการะแกะเทวดาไม่ใช่บนบานอ้อนวอนหรือขอให้โปรดปรานเทวตาพลีเป็นพลีอย่างหนึ่งในพลีห้าที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นชอบให้เคารพหัสกระทำอีกสี่คือ ยาติภลีสงรอญาติอติติผลีต้อนรับแขกบุคภาเปตาภลีทำบุญอุทิศให้ผู้ลวงลับราชภลีบำรุงราชการเช่นเสียภาษีภลีนี้เป็นคำหนึ่งในบรรดาคำเดิมของศาสนาพราหมณ์น้อยคำที่พระพุทธเจ้าทรงยอมให้ผ่านเข้ามาในพระพุทธศาสนา หรือพระพุทธศาสนายอมรับเข้ามาใช้โดยเกือบไม่ได้เปลี่ยนความหมายเลยคำอื่นที่นำมาใช้แต่เปลี่ยนความหมายใหมท่ทีเดียวเช่นยันตะบะเป็นต้นทั้งนี้เพราะผลีแต่เดิมมามีความหมายเป็นการสละให้เพื่อเกื้อกูลหรือบารุงเลี้ยงอยู่ด้วยแล้วแล้วรวมกับหมายความว่าบูชา ผลีในศาสนาพราหมณ์นั้นเขาให้แก่เทวดาผีคนตลอดถึงนกและสัตว์อื่นๆสิ่งที่ให้เป็นภลีได้แก่อาหารเช่นข้าวแล ะ, ปะเปรียงเป็นต้นตลอดจนดอกไม้น้ำหอมถูบไม้จันหมากเครื่องเทศเป็นต้นในรัตนสูตรพระไตรปิฎกเล่ม25หมีข้อความแนะนำเชิงสอนหรือเชิงชวนเทวดา ให้สร้างเมตตาคุ้มครองรักษาหมู่มนุษย์ซึ่งทำผลีให้ทั้งกลางวันกลางคืนอัตถคถาขยายความให้เห็นว่าการแผ่ส่วนบุญให้หรือให้มีส่วนร่วมในการทำความดีคือปฏิทานก็เป็นความหมายแบบพุทธอย่างหนึ่งของผลีและที่บาลีแนะนำอย่างนั้นหมายความว่าพวกมนุษย์มีอุปการะแก่พวกเทวดาเทวดาผู้ได้รับผลี จึงควรมีความกตัญญูช่วยคุ้มครองรักษาพวกมนุษย์ยิ่งผ่อนปรนให้มากก็ยิ่งจำเป็นจะต้องย้ำข้อเตือนสำนึกไว้ให้หนักแน่นไม่จเพาะชาวบ้านจะต้องคอยเตือนตนเองเท่านั้นแม้พระสงฆ์ก็ควรช่วยเตือนชาวบ้านบ่อยๆเพราะชาวบ้านมีโอกาสใกล้ชิดสภาพแวดล้อมทางธรรมน้อยและมีกิจของคารวะวุ่นวาย คอยชักให้ชาเชื้ได้ง่ายข้อเตือนสำนึกที่ว่านั้นก็คือจะต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนยังอยู่ระหว่างกําลังพัฒนาขณะนี้อยู่ที่ขั้นนี้ขั้นนี้ต้องระลึกไว้ว่าแม้ว่าขณะนี้ยังยุ่งเกี่ยวกับเทวดายัางยุ่งเกี่ยวกับมงคลแต่ก็หวังอยู่เสมอว่าจะก้าวไปสู่ขั้นแห่งความเป็นอิสระสักวันหนึ่ง ถ้าพูดรวบรัดก็คือจะต้องสำนึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องเดินหน้าไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่คำว่าเดินหน้ามีความสัมพันธ์เป็นพิเศษสำหรับพัฒนาการในอริยธรรมขั้นต้นเพราะมินเมที่จะตกหล่นไปจากความเป็นสมาชิกในชุมชนชาวพุทธถอยหลังกลับไปอยู่ในชุมชนก่อนอริยได้ง่ายเหลือเกิน เพราะในขั้นต้นสุดนี้สิ่งที่ใช้ร่วมในพุทธศาสนากับในศาสนาเดิมยังมีมากและสิ่งนั้นบางทีก็เป็นสิ่งเดียวกันแท้ๆเช่นมงคลและพลีเป็นต้นต่างแต่ท่าทีแห่งความเข้าใจสำหรับชี้นำและจำกัดขอบเขตของการปฏิบัติถ้าเกิดเหตุเพียงแค่ว่าเผลอลืมท่าทีของการวางจิตใจนเสยเท่านั้น พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติก็อาจพลิกกลับเป็นตรงข้ามได้ทันทีคือหล่นจากสมาชิกภาพในชุมชนพุทธถอยกลับไปอยู่นอกชุมชนอารยะซึ่งน่ากลัวว่าจะได้เป็นกันมาสีอย่างนี้หลายครั้งแล้วดังนั้นคำว่าเดินหน้าจึงเป็นข้อเตือนสำนึกสำคัญที่จะต้องมาด้วยกันเสมอกับความสำนึกในท่าทีที่เป็นขอบเขตของการปฏิบัติ ในเรื่องนี้ดูได้จากเรื่องสัจจกิริยาทางออกที่ดีจากบันทึกพิเศษท้ายบทเมื่อใดเดินทางก้าวหน้าถึงขั้นที่สามเมื่อนั้นจึงจะปลอดภัยแท้เพราะได้เข้าอยู่ในชุมชนอาระยะเป็นโซดาบันขึ้นไปไม่มีการถอยหลังหรือลังเลใดๆอีกมีแต่จะเดินหน้าอย่างเดียว เพราะเข้าถึงความหมายของพระรัตนตรัยมั่นใจในความเป็นไปตามเหตุผลจนมีศรัทธาที่ไม่วันไหวไม่ต้องอ้างอิงปัจจัยภายนอกไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวริษใดๆและไม่มีกิเลสรุนแรงพอที่จะให้ทำความชั่วร้ายหรือให้เกิดปัญหาใหญ่ๆเป็นปมในใจที่จะต้องระบายกับทั้งรู้จักความสุขอันประณีต ซึ่งเกิดจากความสงบผ่องใสในภายในแล้วจึงมีความเข้มแข็งมั่นคงในจริยธรรมอย่างแท้จริงภาวะที่มีคุณธรรมมีความสุขและเป็นอิสระซึ่งอิทธิพลภายนอกไม่อาจมาครอบงำชักจูงได้เพียงเท่านี้เป็นความประเสริฐเพียงพอที่เทพเจ้าเหล่าเทวดาจะบูชานกไหวและพอที่จะทำให้ชีวิตของผู้นั้นเป็นอุดมมงคล หรือมงคลอันสูงสุดอยู่แล้วในตัวมนุษย์เป็นยอดแห่งสัตว์ที่ฝึกได้เรียกอย่างสมัยใหม่ว่ามีศักยภาพสูงสามารถฝึกได้ทั้งทางกายทางจิตและทางปัญญาให้วิเศษทำอะไรอะไรได้ปราณีตวิจิตพิสดารแสนอสัศจรร์อย่างแทบไม่น่าเป็นไปได้ การมัวเพลินหวังผลจากฤทธานุภาพและเทวานุภาพดนบันดาลก็คือการตกอยู่ในความประมาทละเลยปล่อยให้ศักยภาพของตนสูญไปเสียเปล่าและจะไม่รู้จักเติบโตในอริยมรรคส่วนผู้ใดไม่ประมาทไม่รีรอเร่งฝึกตนไม่หยุดยัง้งผู้นั้นแหละจะได้ทั้งอิจิริสและเทวริสและจะบรรลุสิ่งเลิศล้ำ ที่ทั้งริธฐานุภาพและเทวานุภาพไม่อาจอำนวยให้ได้